จเจริญพรญาติโยมทุกๆคนเจานี้ก็เป็นเจาของคืนที่สองเราก็มานั่งที่ศาลาหรือวิอหารวิ ห, หารนี้สร้างด้วยเงินสามล้านบาท แล้วก็ชื่อว่าสุญญาตาวิหารคือวิหารว่างวิหารว่างสุญญาตาคือว่างฉพราะนั้นในเรื่องของความว่างพูดได้ไรไม่จบเราต้องทำความกข้าใจว่าพระเดชพระคุณท่านอาจารย์พุทธทาส ท่านบอกว่าท่านพูดเรื่องความว่างเราเวลาให้โยมก็เข้าใจใช้เวลาสักสิบปีท่านพูดที่หินโคงและเรายังไม่ถึงหนยังไม่ถึงสิบปีก็มีคนเข้าใจดันั้นเราต้องเข้าใจให้ถูกต้องพยายามระมัดระวัง ว่าไม่ใช่ความว่างไม่มีความว่างอยู่ในความมีความมีก็อยู่ในความว่างพึ่งปาอาศัยซึ่งกันและกันแต่เดิมทีเดียวมันก็ว่างมันก็ว่างโลกนี้มันว่างมันไม่มีโลกนี้มันไม่มีดวงจันทร์ ไม่มีดวงดาวในอากาศในอ า, ากาศไม่มีอะไรทั้งสิ้นให้มันเริ่มขึ้นจากความไม่มีเป็นความมีเป็นความมีขึ้นมาแต่ในมีนั้นมันก็มีความว่างอยู่ในนั้นอยู่ในความมีที น, นี่มันยังมีฤทธิหนึ่งในสมัย โูลาณกาณในประเทศอินเดียพอพูดเรื่องความว่างเขาไปจับกระเดียดเอาว่าว่างไม่มีไม่มีอะไรเราจะฆ่าคนก็ไม่บาปเราเอามีเฉือนลงไปในความว่างอันนี้ผิดว่างอย่างนี้เรียกว่างผิดในว่างมันมีมี ในมีนะี้มันมีว่างดังนั้นสมยตาวิหารคือความว่างมันจะแทรกอยู่ในทุกๆอนุทุกๆปรมาณูความว่างมันจะแทรกอยู่เพราะความว่างมันจะมีอยู่ก่อนมีอยู่ก่อนอย่างอื่นหมดก่อนจะมีคนก่อนที่จะมีสัต ก่อนที่จะมีโลกนี้ก่อนที่จะมีโลกอื่นมันจะต้องมีความว่างอก่อนไม่ว่าสุญญตาถ้าใครอยู่ด้วยความว่างคนนั้นก็ชี้ว่าสุญญตาวิหารวิหาระแปลว่าอยู่สุญญตาใว่างอยู่กับความว่างไม่ว่าอยู่สุนกับอยู่กับสุญญตาวิหาร ที่นี่เราต้องอยู่กับสุญญาตาวิหารเมื่อคืนก็ได้พูดในเรื่องของฌานกับยานที่เรามาดูทุกอย่างมันมียอดต้นไม้ทุกต้นจะต้องมียอดไม่ใช่ต้นไม้ยอดด้วน จะต้องมียอดภูเขาก็จะต้องมียอดอย่างภูเขาที่สูงที่สุดในโลกคือภูเขาอิมาลายมันก็มียอดที่สูงเสียดฟ้าแล้วก็มีหิมะปกคลุมตลอดเป็นแนวมันก็มียอดทุกๆเขาเขานั้นก็มียอด แม้แต่ที่พื้นดินจึงมีหญ้าหญ้าก็มียอดทุกอย่างจนโกรธสนก็มียอดคนก็มียอดยอดคนก็คือพระพุทธเจ้าไมว่ายอดแห่งมนุษย์เป็นยอดแห่งมนุษย์ที่นี่เรามาดูว่ายอดของสมาถาคืออะไร ยอดของสมถะก็คือฌานฌานแ เ, เป็นยอดของสมถะถ้าใครปฏิบัติสมถะจน ถ, ถึงยอดก็อย่าอยู่แค่ยอดนั้นจะต้องเข้าวิปัสสนาหรือเราทำยังไม่ถึงมันได้แค่วิตกวิจาร์ก็พยายามปีนขึ้นไปให้ถึงยอด ปีไม่ถึงยอดสมถาก็ไม่เป็นไรแต่ต้องปีนใน้ถึงยอดของวิปัสสนายอดของสมถาก็คือฌานยอดของวิปัสสนาก็คือญาณญาณแต่วรู้ในสมมัตตาสิทที่บอกให้ฟังเมื่อคืนนั่นแหละสัมมาสัมมายาน สัมมาญาณไม่ใช่สัมมาฌานนะสัมมาญาณคือความรู้ที่ถูกต้องสัมมาญาณคือความรู้ที่ถูกต้องแล้วพอสัมมาวิมุตต์เมื่อรู้ถูกต้องแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นวิมุตต์แปลว่าหลุดพ้นในความหลุดพ้นสัมมาญาณสัมมาวิมุตต์นั่นเป็นยอดของวิปัสสนา ฉะนั้นจะต้องมียอดที่นี่เราจะอยู่กับกิ่นกับก้านกับสาขาอยู่กับโคนอยู่กับพื้นก็สู้อยู่กับยอดไม่ได้ถ้าทำสมถาก็ต้องรู้ว่สมถามก็มียอดถ้ามีปรัชนามีมปรัชนามันก็จะต้องมียอดนีวิหารนี้เรียว่าสุญญาตาวิหาร เราก็ข้างหน้าก็พยายามมีลูกกลมๆเอาไว้สัญลักษณ์ของสุญญาตามันจะมีหลายๆอย่างถ้าใครเห็นคนที่ข้าวส่งอามาจะไม่ควรอิ่มเราก็ไม่ได้คิดอามาจะไม่ควรอิ่มทํามื อ, อยังไงนี่ทํามืออย่างนี้นี่แหละคือสุญญาตาสุน ญ, ญาตา สุญญาตาวิหารอยู่กับวิหารวิหารแปลว่าอยู่คืออยู่กับสุญญาตาทีนีจะมีอาจารย์เซนบางองค์ของจีนก็จะถือวงกลมวงกลมแต่ว่ามีด้ามถือเหมือนกับไม้ตีแบดอย่างนั้นแต่ว่าข้างในไม่มีอะไร ภายในก็เจ้าชูอยู่อย่างนั้นชูวงกลมอยู่นี่คือเขาเผยแผ่ธรรมะเผยสุญญาตาทีนี้มีสัญลักษณ์หลายหลายอย่างบางองคก์ก็บางองค์ก็อยู่ที่หัวลา้าหัวล้านที่หน้าผากหน้าผากจะมีจุดจุดหนึ่งเรียกว่าจุดสุญญาตา ในของพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าอุณโลมอุณโลงอยู่ที่ระหว่างคิวมันเป็นอุณโลมก็คือสุญญตาทีานี้เมื่อเขาไม่ทําอุณโลมเขาก็ทําหน้าปากเป็นกลมกลมหน้าปากกลมกลมบางองค์ก็มีพุงมีพุงกลมก็เป็นสุญญตาเป็นสุญญตาทางนั้น ทีนี้อย่างของาศาสนาเต๋ า, าศาสนาเต๋านั้นมีสุญยตาชัดเจนฉะนั้นพระพุทธาศาสนาเข้าไปอยู่ได้ในในประเทศจีนเพราะประเทศจีนก็มีาศาสนาเต๋ารองรับอยู่ก่อนเมื่อรองรับอยู่จาสนาพุทธเข้าไปก็มีเนื้อหน่อยมีแก่นแท้เหมือนกันฉะนั้นสองศาสนายังอยู่กันได้ อยู่รวมกันได้แต่ถ้าไม่ปฏิบัติก็จะไม่เห็นในสิ่งนี้ที่นี่ในเรื่องของฌานกับวิปัสสนาเรื่องของฌานเดี่ว่าอาักกิงจัญญายตนะไม่มีอะไรคือไม่มีอะไรอะไรไม่มีอะไรอะไรนี่ก็คือว่าคือว่านั่นคือ พื้นฐานพื้นฐานของญาณมาจากฌานมาจากฌา น, าาานหรือสีชี Bray ก็จะอยู่กับพื้นฐานอยู่อย่างนั้นไม่ยอมยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาก็เลยอยู่แต่กับฌานอย่างนั้นอยู่แต่กับฌานมันก็ลบเรือนได้ฌานนี่มันก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับแล้วมันก็ลบเรือนได้แล้วต้องทําใหม่ แด้ต้องทําอยู่อย่างนั้นตลอดไปนี่ก็อยู่ในฌานก็ยอมอยู่ในฌานทีนี้ถ้ายกขึ้นสู่วิปัสสนาถ้ายกขึ้นสู่วิปัสสนาก็ถึงว่างแต่ฌานเป็นว่างเพียงตัวอย่างเป็นว่างตัวอย่างแค่นั้นเองคือในอรูปฌานว่างตัวอย่างหากินจัญญาญาณะหากินจัญญาญาณนะ ว่างเนี่ว่างทีนี้พอไปในวัดสัญญานาสัญญาจะแต่นะมีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่คือในไม่มีนะ่ยมันมีมีในมีเนะ่ยมันมีไม่มีเหมือนกับเหรียญสองหน้าเหรียญน่ยมันมีสองหน้าหน้าหนึ่งกับอีกหน้าหนึ่งมันจะไม่เหมือนกันนี่คือเรีว่าในมีเน่ยมันมีไม่มี ในไม่มีเนี่ยมันมีมีพูดอย่างนี้มันก็ฟังยากฟังยากแต่ว่าถ้าเห็นเนี่นก็มันไม่ยากถ้าเราเห็นมันจะไม่ยากดะงนั้นการปฏิบัตินี่เราต้องจริงจังเมื่อเราจริงจังเนยเราจรึงจะเห็นที่นี่ในเรื่องต่างต่างบางองค์ที่เขาเผยแผ่ธรรมะของจีนบางองค์ก็ยกนิ้วเดียว ยกมือกึนนิ้วเดียวอย่างนั้นก็แสดงถึงความว่างทีนี่อย่างแม่ควรอิ่มพันมือก็จะทำดวงตาไว้ในใจกลางมือตำดวงตามีดวงตาไวนั่นก็คือแสดงถึงความว่างถึงนั้นถ้าใครถ้าใครกล้าใจเรื่องความว่างก็จะค่้าใจหมดกล้าใจหมดทีนี่ในความว่างมันมีความมีอยู่ มันมีความมีความมีะมันเป็นเปลือกเป็นเปลือกของความว่างความว่างมันเป็นเนื้อหน่อยแต่ถ้าเราผ่าออกมาก็ไม่เห็นมีอะไรแาที่จริงมันก็มีในทุกเซนส์ทุกปรามานูในในทุกๆสิ่งนั้นแหละมันจะมีความว่างอยู่เพราะอะไรเพราะว่ามันเกิดดับมันเกิดดับว่างจากตัวตนเกิดดับว่างจากตัวตนเกิดดับว่างจากตัวตน นัตมาถ้าเอาอะไรไม่ทันก็บอกว่าสิ่งจังปวงว่างจากตัวตนคือองค์ภาวนาเนี่เราต้องต้องมีเอาไว้รอบทิศเหมือนกับเรามีศัตราอาวุธเอาไว้รอบกายอย่างนั้นเราไปจับช่วยอะไรก็เป็นศัตราอาวุธของเราหมดแต่เรามีอาวุธคือความว่างเพื่อที่ไว้ฆ่ากิเลส ตื่นเช้าขึ้นมาไม่ใช่ร้อยล้างหน้าเสร็จแปลงควันเสร็จจิงจะปฏิบัติไม่ใช่ตื่นเช้าขึ้นมาจับความว่างทันทีทุกอย่างว่างจากตัวตนสิ่งตั้งพวงว่างจากตัวตนพอพูดว่าสิ่งตั้งพวงว่างจากตัวตนมันก็หมดมันก็หมดทั้งร่างกายทั้งจิตใจทั้งตาหูแต่หมูลิ้นกายใจทั้งรูปเสียงกลิ่นรสถะพระธรรมารมณ์ วิญญาณทั้งหกวัฏฏาทั้งหกเวทนาทั้งหกมันก็หมดพรพูดว่าสิ่งตั้งพวงว่างจากตัวตนพอมาจาระในตาเกิดสิ่งตั้งปวงเป็นโลกภายในเนี่ยเกวพระพุทธเจ้าตรัสว่าโลกว่างโลกว่างจงมีสติมองโลกโดยความเป็นของว่างตานเป็นโลกภายในรูปนี่เป็นโลกภายนอก ตาวา่าตาเกิดตาดับเดตา ก, กวา็ว่าตาเกิดตาดับตาวา่างหูเกิดหูดับหูวา่างจมูกเกิดจมูก ด, ดับจมูกวา่างลิ้นเกิดลิ้นดับลิ้นวา่างกายเกิดกายดับกายว่างใจเกิดใจดับใจวา่างนี่ทั้งหมดเลยทั้งหมดแล้วเราก็เลยอยู่กับความวาา่าง ท, ท่านอาจารย์พระเดชพระคุณท่านอาจารย์พุทธทาส ท่านจึงมีสโลกแกนว่าจงทํางานทุกชนิดด้วยจิตว่ายกผลงานให้ความว่างทุกอย่างสิ้นกินอาหารของความว่างอย่างประกินตายเสร็จสิ้นแล้วในตัวแต่วทัทีและนั้นนี่คือเราอยู่กับความว่างจะบงจีวรเสื้อผ้าที่เราสวใส่เพาะเราสวมใส่ความว่างไม่ใช่ไม่มีเสื้อผ้า มีเสื้อผ้าไว้ปกปิดร่างกายแต่เราพิจารณาเมื่อเราห่มเรานุ่งเมื่อเรามาสวมใส่ว่านี่เป็นของว่างเพราะมันจะเกิดดับเกิดดับเกิดดับไม่ใช่มันเกิดดับตอนที่มันเป็นเสื้อผ้าแล้วมันเกิดดับตั้งแต่เป็นเริ่มต้นตั้งเป็นวัตถุขึ้นมาเป็นใยสังเคราะห์เป็นฝ้ายเป็นอะไรขึ้นมาสัาดี มันก็ว่างมาตั้งแต่น้นแล้วฉะนั้นเรานุ่งห่มความว่างทีนี้คนที่นุ่งห่มความว่างเลยเสื้อผ้าที่ว่างคนที่นุ่งห่มนี่ก็ว่างไปด้วยเพราะว่ามันสักแต่ว่าท่าเราที่นั่งอยู่ที่ตรงนี้ทุกคนสวมเสื้อผ้ามีผ้านุ่งมีผ้ า, ม, ม, า ม, มีเสือ้อราก็มีเสบงจีวรน ทีนี้เมื่อเราพิจารณาสิ่งภายนอกเป็นของวางต้องพิจารณาสิ่งภายในว่ายภายในด้วยนิจสัตโตนิชโวะสุญโยระต้องตอนเช้าก่อนที่จะฉันบินทบาทนิจสัตโตม่ใจสัตว์ไม่ใ่ใบุคคลนิชโวไม่ได้เป็นชีวะสุญโย ว, ว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตน นี่เป็นความว่างเรานุ่งห่มความว่างนุ่มห่มความว่างสิ่งที่มาปิดกายนี่ก็เป็นความว่างควรร่างกายก็เป็นความว่างนี่มันเรีกเป็นความว่างหมดแต่นั่นทุกอย่างเก้านั่นก็จะต้องเป็นความว่างเดินไปบนความว่างแล้วความว่างเนี่ยมันเดินมันเดินมันเดินไปนี่เรียกว่า ที่นี้การทํางานทุกชนิดด้วยจิตว่างถ้าทํางานด้วยจิตมีมันก็คือมีตัวปูถ้ามีตัวปูแล้วมันวุ่ น, นทํางานอยู่ด้วยความวุ่นเมื่อทางานอยู่ด้วยความวุ่นผลงานก็ออกมาไม่ดีแล้วก็คนนั้นก็จิตใจก็วุ่นวายวุ่นวายในขณะที่ทํางานอยู่นั้นเรียกว่าไม่ทํางานด้วยความว่าง ดังนั้นเราจะต้องทำงานด้วยความว่างจงทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างเราอย่าไปหวังผลเรานั่งสมาธิเราเดินจงกรมมีเป็นการทำงานอย่างหนึง่งทำงานด้วยการตรงไปตรงมานีกว่าตรงไปตรงมากับจุดที่เราประสงค์เพราะฉะนั้นเราอย่าไปหวังผลจงทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่าง ยกผลงานให้ความว่างทุกอย่างสิ้งไม่ใช่ว่าเราเป็นพระโสดาบันไม่ใช่ว่าเราเป็นพระสกิทาคามีไม่ใช่เราเป็นพระอนาคามีไม่ใช่เราเป็นพระอรหันเราต้องยกผลงานให้ความว่างทุกอย่างสิ้งมันจะเป็นอะไรขึ้นมาเราก็ไม่เอาอะไรเลยมันอยู่ที่ว่าตัดกิเลสเมื่อตัดกิเลสออกไปหมดก็เรียกว่าพระอรหัน นี่เป็นคำสมมติที่เขาเรียกขึ้นมาอย่างนั้นแต่เราอย่าเข้าไปยึดถืออย่าเข้าไปยึดถือว่าเป็นตัวเรามันไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวเราแล้วมันว่างตัวเรามันไม่มีตัวกูมันไม่มีตัวกูมันว่างมันว่างจากตัวตนว่างจากตัวตนว่างจากสัตว์ว่างจากบุคคล ว่างจากตัวตนว่างจากเราว่างจากเขานี่มันจะว่างหมดว่างหมดว่างหมดสิ่งตั้งปวงสิ่งตั้งปวงว่างจากตัวตนหรือเราจะว่าว่างหมดก็ได้สิ่งตั้งพวงว่างหมดฉะนั้นจงทํางานทุกชนิดด้วยจิตว่างผลงานที่ออกมาก็ไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นยกผลงานให้ความว่างทุกอย่างสิ้น ผลงานที่ออกมาเราก็ไม่เอามาแบ่ไม่เอามายึดถือนะผลงานทางภายนอกเช่นเราทํางานแล้วได้เงินได้ทองมาเราก็ช้จ่ายไปตามเหตุตามปัจจัยเรียกว่าตามเหตุตามปัจจัยที่มันจําเป็นมิยกผลงานให้ความว่างทุกอย่างสิน้นอย่าเข้าไปยึดถือในผลงานอีกนะถ้ายกเบเข้าไปไปยึดถือในผลงานอีก มันก็กลับไม่ว่างอีกยกผลงานใ้ความว่างทุกอย่างสิ้นทีนี้คนเราจะต้องกินอาหารสัตว์มัน ก, ก็กินอาหารต้นไม้เราต้องกินอาหารแต่คนเรานี่ประเสริฐกว่าต้นไม้ประเสริฐกว่าสัตว์เพราะนี่มีสมองมีหัวคิดมีอะไรที่พัฒนาไปเรื่อยเรื่เรียกว่าพัฒนาไปเรื่อยเพราะฉะนั้นการกินอาหาร ก็ต้องกินอาหารของความว่างอาหารที่เรากินที่เรากินที่เรารับประทานเข้าไปอาหารนั้นก็เป็นของว่างเป็นของว่างกินอาหารของความว่างอย่างพระกินมันว่างในตัวอาหารเองมันก็ว่างกิ่นรสสีสันของอาหารมันก็ว่างอันล้วนแต่ว่างจากตัวตนทั้งนั้นทีนี้ถ้าคนกินไม่ว่าง ถ้าคนกินยังเห็นเป็นผลไม้เห็นเป็นข้าวเห็นเป็นกลับเห็นเป็นขนมนมเนย อ, อยู่เห็นได้แต่ว่ามันว่างในนั้นมันมีว่างเราจะต้องกินอาหารของความว่างพระที่แท้พระที่จริงท่านจต้องฉันไม่ต้องกินอาหารของความว่างกินทุกคำว่างทุกคำเกียวทุกครั้งว่างทุกครั้งตื่นทุกทีว่างทุกที กินอาหารของความว่างสัตแต่ว่าธาตุว่างเมื่อพระบวชมาใหม่ๆธรรมมาบอกว่าสัตวแต่ว่าธาตุว่างเดินบินตะบ่าที่เราเดิน ท, ท, ทีท่เราเดินเดินสัตแต่ว่าธาตุว่างธาตว่างธาตุว่างพรณาไปว่าสัตแต่ว่าธาตุว่างธาตว่างธาตุว่างทีนี้เกี่ยวอาหารกินอาหารทุกคำก็สัตแต่ว่าธาตุว่างธาตุว่างธาตว่าง แล้วไปนับกรรมอาหารไปด้วยนับกรรมอาหารือว่าสัจตะว่าธาตุว่างคำที่หนึ่งแล้วก็สัจตะว่าธาตุว่างแล้วก็เคี้ยวนอนที่เคี้ยก็สัจจะว่าธาตุว่างธาตุว่างธาตุว่างธาตุว่างนี่คือการอยู่กับความว่างจริงๆอยู่กับความว่างจริงๆต้องอย่างนั้นไม่ใช่ไปตะกระาไปตะกลุ่มตะกรามต้องอยู่กับธาตว่างต้องกินอาหารของความว่าง ท่านจึงแต่งว่ากินหนาันของความว่างอย่างพระกินพระประโยคต่อไปก็ว่าตายเสร็จสิ้นแล้วในตัวแต่วัตถีก็คือตายเชียก่อนตายเชียก่อนที่้มีความรู้สึกว่าไม่มีกูความรู้สึกไม่ใช่กูความรู้สึกไม่ใช่กูถ้าความรู้สึกไม่ใช่กูให้ความความรู้สึกนั้นมันตายเชี่ยก่อนให้มันเป็นปัญญา กลายความรู้สึกนั้นมาเป็นปัญญาเป็นปัญญาเป็นวิชาว่ามันไม่ใช่กูมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่เขานี่ให้ตายเสียก่อ น, ต า, อ น, ต, าอนตายเสียก่อนตายเพราะฉะนั้นถ้าเราตัดความรู Deus, ้สึกเสียได้ตัดความรู้สึกเสียได้มันก็ตัดอะไรได้ทั้งหมดเพราะมันอยู่ที่ความรู้สึกมันอยู่ที่วิญญาณตัวนั้นคือตัวความรู้สึกแต่ความรู้สึกมันยังอยู่มันตายไปแล้วมันก็เกิดอีก ตายไปแล้วมันก็เกิดดีมันอยู่มันก็เกิดตอนที่อยู่มันก็เกิดตลอดเวลาเกิดทางตาเกิดทางหูเกิดทางจมูกเกิดทางลิ้นเกิดทางกายเกิดทางใจเกิดในรูปเกิดในเสียงเกิดในกลิ่นในรสในโระทับปะในธรรมารมเกิดในวิญญาณทั้งหกเกิดจักกูวิญญาณโตตาวิญญาณกาณาวิญญาณ ิวิหาวิญญาณกายะวิญญาณวานวิญญาณเกิดในปัสสาทั้งหเมื่อกระทบว่ากูกระทบกระทบทางตากระทบทางหูกระทบทางจมูกกระทบทางลิ้นกระทบทางกายกระทบทางใจแล้วมันเกิดเวทนาขึ้นมาก็ไปเสวยเวทนาอีเวทนาที่เป็นสุขก็ไปเสวยเวทนาที่เป็นทุกข์ก็ไปเสวยแต่เวทนาที่ไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ก็ไปเสวย นนั่นคือเวทนาแต่ตามที่จริงทุกอย่างมันว่างดังนั้นตาก็ว่างรูปก็ว่างจักรวิญญาณก็ว่างปัสสาก็ว่างเวทนาก็ว่างเมื่อมันว่างเนตนาเกิดไม่ได้นี่คือปฏิจจสมุปาบาทเครื่องทอดงานเมื่อสิ่งเหล่านี้ว่างว่างเมื่อสิ่งเหล่านี้ว่างตนาเกิดไม่ได้อุปาทานเกิดไม่ได้ภพชาติทุกเกิดไม่ได้ สิ่งหล่านั้นมันเลยถูกตัดถูกตัดทอนไว้ที่ตรงกลางตรงนั้ น, นถ้ากหลจยจำปฏิจจสมุปบาทมันถูกตัดทอนไปหมดเพราะมันว่างมันเริ่มต้นว่างตั้งแต่ตาว่างตาว่างหูว่างอะอ่าง้ยมันทำหน้าที่แมันก็ทำว่างว่างแล้วไม่ทำหน้าที่โดยกูไม่ใช่กูทาไม่ใช่กูเห็น ไม่ใช่กูได้ยินไม่ใช่กูได้กลิ่นไม่ใช่กูริมรสไม่ใช่กูสัมผัสไม่ใช่กูรู้ธรรมารม่มนี่มันโลกภายในยมันรู้แต่โลกภายในยก็ว่างฉะนั้นเราต้องทำโลกภายในยให้ว่างเมื่อโลกภายในยว่างโลกภายนอกมันก็ว่างดูก่อนโม ก, กราชท่านจงมีสติมองโลกโดยความเป็นของว่าง เราพุทธเจ้ตาตรัสอย่างนี้กับโมครชเพราะฉนั้นโลกภายในก็ต้องเห็นในเป็นของว่างจิตนี้ก็ว่างโลกภายใน ก, ก็คือจิตว่างโลกภายนอกก็คือสิ่งตั้งพวงว่างนี่สองคำนี้ก็พอเลยโลกภายในคือจิตว่างโลกภายนอกคือสิ่งตั้งพวงว่างสิ่งตั้งพวงคืออะไรเจรไนไม่หมดถ้าเจารไนเป็นอย่างๆไปไม่หมด แต่ตาว่าตาว่างหูว่างจมูกว่างลิ้นว่างกายว่างใจว่างโลกภายในว่างทีนี่โลกภายนอกรูปว่างรูปเสียงว่างกลินว่างรสว่างโพ๊ะตะปาว่างธรรมารมว่างมันก็ว่างจากตัวตนทางนั้นคือทุกอย่างมันล้วนแต่ว่างจากตัวตนเมื่อสิ่งเหล่านี้มันว่างจากตัวตนพระพุทธเจ้าตรัสรวบยอดเพียงคํำเดียวว่าดูก่อนโมกราช การจงมีสติมองโลกโดยความเป็นของว่างนี่ต้องมองอย่างนี้มองเป็นของว่างอย่างนี้อย่ามองเป็นของมีถ้ามองเป็นของมีโลกภายในก็ไม่ว่างโลกภายนอกก็ไม่ว่างทีนี้ทำยังไงได้ต้องถอนอัตตาอัตตาอั ต, ตานุทิตีคือความเห็นว่าตัวกูถอนตัวกูออกไปเสียความรู้สึกไม่ใจกูเห็นไหม อัตตานุทิตติโรงบอกว่าให้ถอนอัตตานุทิตติคือถอนความเห็นหรือความรู้สึกถอนความรู้สึกว่าตัวกูนี่ออกไปเสียจะนั้นเราจึงภาวนาว่าความรู้สึกไม่ใช่กูความรู้สึกไม่ใช่กูเมื่อเราภาวนาว่าความรู้สึกไม่ใช่กูครั้งหนึ่งมันก็ถอนทีหนึ่งถอนพิษถอนพิษ ถอนพิษอวิจานั้นออกไปถอนพิษความรู้สึกไม่ใจกูเดินก็ความรู้สึกไม่ใจกูเดินจงกรมแต่ละก้าวแต่ละก้าวความรู้สึกไม่ใจกูนั่งหายใจก้าหายใจออกความรู้สึกไม่ใจกูกินก็ความรู้สึกไม่ใจกูนั่งก็ความรู้สึกไม่ใจกูนอนก็ความรู้สึกไม่ใจกูเห็นได้ยินได้กลิ่นริมรถก็ความรู้สึกไม่ใจกู ถอนอันนี่เป็นการถอนพิษคือพิษของอวิชชานี่เราถอนไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดเมื่อเราถอนไปถอนไปถอนไปมันก็หมดแนี่ต่อไปมันไม่มีอะไรเหลือถอนไปจนหมดเกลี้ยงเกลี้ยงก็ไม่เกลี้ยงเลยนี่เรียกว่าถอนพิษมันกินยาถอนพิษคือความว่างกินยาเความว่างกินยาถอนพิษกินยาถอนพิษออกไป ถ้าปเป็นคนโล่งสบายมันก็เบามันก็เบ า, เบาสบายท่องห้พิษนั่นออกไปแล้วก็คนนั้นก็เป็นมนุษย์เต็มขั้นเลยนี่เรียกว่าถอนถอ น, ถอนความไม่ว่างความมีถอนความมีออกไปนี่อยู่ในคืนหนึ่งอาตมานิมิตเห็นดวงอาทิตย์ประมาณแปดโมงเช้าแล้วก็เห็นธรรมจักร อยู่ในอากาศอยู่ในระดับระนาบเดียวกันกับดวงอาทิตย์รรมจากกัดวงโตโตกว่าแล้วก็ดวงอาทิตย์นั้เล็กกว่าทีนี้ก็มาคิดคิดคิดอยู่ว่านี่ปิศนานี่เป็นยังไงก็ดูว่ารรมจากคือพระพุทธเจ้าหรือว่าในสัมมาทิฏฐินะ่ะสัมมาทิฏฐิ ค, คือความเห็นเห็นมีความเห็นอันถูกต้องในอริยมรรคมนองค์แปดนะ สัมมาทิฏฐิคือความเห็นอันถูกต้ตองถามว่าเห็นอะไรจระรู้ในแปนว่าเห็นอริยสัจสีในธรรมจักกเนี่ยมีอริยสัจสีเห็นอริยสัจสีแล้วก็เห็นขันห้าเห็นขันห้าก็คือรูปนามก็คือรูปเวทนาสัญญาจัางการวิญญาณแล้วก็เห็นปฏิจจสมุ ป, ปบาทปฏิจจสมุ ป, ปสมุ ป, ปบาทคือสายเกิดกับสายดับ สายเกิดของอวิชาชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจายาวิญญาณังจนไปถึงทุกข์แต่ดับของอวิชชาญาตาเววาเสสวิรากนิโรธาสังขาราณิโรโตสังขาราณิโรทานั้นสายดับทีนี่ธรรมจักก็มีฝ่ายเกิดกไายดับในธรรมจักในอริยสัจสี่เนี่ยอริยสัจสี่กไอยเกิดก็ทุกข์สมุทัย นั่นกไยเกิดทุกข์กับกไอยเหตุได้เกิดทุกข์นั่นคือสายเกิดสายเกิดทีนี้ยโรธบาปเรียมักนั่นคือสายดับนั่นคือสายดับทีนี้ในในขันห้าคนห้าเกิดขนห้าดับถ้าเราก็าไปยึดถือกันห้าเกิดทันทีเลยขันห้าก็คือรูปเสียงกลิ่นรสปุถะพระธรมารมนี้ถ้าคันห้านั้นไม่ถูกยึดถือด้วยอุปาทาน ถ้าไม่ถูกยึดถือขันธานั้นก็ดับเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินได้กลิ่นก็สักแต่ว่าได้กลิน่นริมรส ก, ก tiers, ็สักแต่ว่าริมรสสัมผัสก็สักแต่ว่าสัมผัสรู้ธรรมอารมณ์ก็สักแต่ว่ารู้ธรรมารมณ์แต่เสร็จแล้วอารมณ์เหล่านั้นมาติดที่ใจมาติดที่จิตไม่ได้เพราะว่าใจมันว่างมันว่างจิตมันว่างจิตว่งางแล้วอารมณ์ก็เข้ามาครอบคุมจิตไม่ได้ มีแต่ความว่างเต็มไปหมดเต็มรอบไปหมดนั่นคือการเห็นธรรมจักรทีนี้เรามาดูว่าระหว่างธรมธรมจักรธรรมจักรจริงๆตัวใจกลางของธรรมจักรหรือว่าสนย์กลางของธรรมจักรก็คือความว่างเป็นความว่างทีนี้เราดูวาดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์เองมันก็ว่างดวงอาทิตย์มันก็เกิดดับ ในใจกลางดวงอาทิตย์เดี๋ยวมันก็จะขึ้นแล้วหกโมงเช้านี่ดวงอาทิตย์ที่มันขึ้นตามที่จริงมันก็ไม่ได้ขึ้นมันไม่ได้ลงดวงอาทิตย์มันก็อยู่อย่างนั้นแต่ว่าโลกมันหมุนโลกมันหมุนหมุนหมุนแล้วก็ควายน้อที่อันก็ไปหาดวงอาทิตย์มันก็สว่างแล้วก็เรียกมันว่ากลางวันทีนี้ถ้ามันควายน้อที่มันมืด เราก็เรียกว่ากลางคืนมันเป็นกลางคืนแนวหมุนข้าไปหามันเองหมุนไปหาดวงอาทิตย์เองนี่ดวงอาทิต <SM> ย <C> ์ม right ันก็มันก็เพิ่มมันก็เพิ่มตลอดเวลาคือเพิ่มวัตถุดิบวัตถุดิบที่เป็นอาหารของแสงนั่นไม่อย่างนั้นถ้าไม่มีไฟแสงมันก็ไม่มีมันก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับตลอดเวลาดวงอาทิตย์ก็เกิดดับตลอดเวลาแสงนี่มันก็ ที่มันมานี่แสงที่มันมากลายเป็นสีนี่สีนี่มันมาจากแสงสีนี่มันมาจากแสงเพราะมันเก็บแสงจากดวงอาทิตย์เราเก็บแสงจากดวงอาทิตย์เก็บเอาไวา้เก็บเอาไว้เก็บเอาไว้ ดอกไม้น่ยดอกไม้ดอกไม้มันก็เก็บแสงจากดวงอาทิตย์ไม่ว่าจะเป็นสีม่วงไม่ว่าจะเป็นสีแดงจะเป็นสีขาวจะเป็นสีเขียวจะเป็นสีเหลืองใบไม้ก็เหมือนกันมันก็เก็บแสงจากดวงอาทิตย์ทางนั้นเนี่ยเนี่ยแตมาไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์มาหรอกเขาจุกแก่พอสีเองแต่ว่านี่รู้ด้วยการปฏิบัติธรรมว่าแสงแสีมันมาจากแสง เพชรนินจินดาทั้งหลายที่มีสีสารต่างต่างกันเพราะมันเก็บมาจากแสงของดวงอาทิตย์มันเก็บจากแสงจ า, จากแสงนี่ก็ไปบ่มเพาะอยู่ในใจกลางของภูเขาที่ตรงไหนต่อตรงไหนมนุษย์ไปค้นพบเขาก็ดีใจว่าโอ้นี่สีสวยอะไรสวยแต่ตามที่จริงมันแสงมันไม่มีอะไรมันแสงของดวงอาทิตย์ที่สิ่งเหล่านั้นมันเก็บเอาไว้มันกลับตุนเอาไว้ พรามันกับตุนออว้ก็ําไม้มีสีขาวสีขาวจ้าเราก็เรียกว่าเป็ดแต่เป็นนินก็สีมันอับอับถ้าเป็นปลอยก็สีปลอยแดงปลอยสีน้ำเงินพลอยอะไรก็ว่ากันไปเราก็เลยหลงกันไปตามๆกันนี่ก็หลงในแสง การหลงสีก็คือหลงในแสงหลงในแสงทั้งนั้นมันไม่ใช่อะไรอื่นทีนี้ดวงอาทิตย์เองมันก็เกิดดับเกิดดับดวงอาทิตย์กับธรรมจักนี่ถ้าเราจะถามว่าใครมีอายุมากกว่าดวงอาทิตย์มีอายุห้าพันล้านปีห้าพันล้านปีนี่ผ่านมาแล้วสองสองพันห้าร้อยล้านปีเนี่ยังเหลืออีกสองพันห้าร้อยล้านปี อย่างที่วิทยาศาสตร์ก็คํานวณถ้าดวงอาทิตย์ก็จะดับนี่เห็นไหมทีนี้สุญญาตามันไม่ดับสุญญาตาเองมันไม่เกิดมันไม่ดับโรคนี้จะมีก็ช่างไม่มีก็ช่างสุญญาตาก็อยู่นังอย่างนั้นคือความว่างจะอยู่อย่างนั้นความว่างนิรันดรเทวานิรันดนนรนดนเพราะฉะนั้น ก็จะทำภาพเป็นวงกลมเหมือนกับลูกแก้วนั่นก็คือสั ญ, ญลักษณ์ของความว่างบางทีก็ก็ทำเป็นเป็นอะไรเป็นมังกรมังกรคาบแก้วคาบแก้วก็คือความว่างมังกรคาบแก้วหรืเอเขเขียนอาจมาไปที่เมืองจีนก็มีมังกรคาบแก้วมีอะไรขึ้นมาที่ชุ่มประตูก็ถามคนจีนที่เขาก็อ่านภาษาจีนออก เขาว่าว่าอะไรนั้นก็เขียนว่าอะไรท่านคนนั้นก็บอกว่านี่ก็เขียนว่ า, าเมื่อรอดช่วงประตูนี้แล้วจะทําให้มีอายุนิรันดรก็นนิรันดรน่นคืออะไรนิรันดรก็คือความว่างนัความว่างมันไม่เกิดมันไม่ดับมันไม่เกิดมันไม่ดับมันว่างมันว่างตลอดไป ก็าจาะนั้นเมื่อเราเอามาวิจัยว่าระหว่างดวงอาทิตย์กับความว่างเอามาจั่งน้าหนักดูแล้วความว่างจะมีอายุนิรันดรความว่างมีอายุนิรันดรที่นี้ดวงอาทิตย์ น, น, ดดย น, น่มันนิดเดียวห้าพันล้านปีน่มันนิดเดียวเห็นหที่นี่เราอีกเรานี่ลองมาชั่งน้าหนักดูดิกับความว่าง ถ้าเราเอาความว่างจับมาใส่ไว้ที่จิตของตัวเองเราก็ได้ความว่างพอเราได้ความว่างเราไม่ต้องตายแล้วไปอายุห้าสิบปีร้อยปีนี่มันนิดเดียวมันนิดเดียวเสี่ยงเศษของดวงอาทิตย์เจ้เสเี่ยงเศษของความว่างนิดเดียวนี่ถ้าหากว่าเราปฏิบัตรริทำเราปฏิบัติสมาธปฏิบัติภาวนาจนถึงจุดคือจุดว่างจุดว่าง จุดว่างที่เด็ดขาดจุดว่างอย่างพระอรหันนี่คือจุดว่างที่เด็ดขาดแต่จุดว่างที่เด็ดขาดแล้วคนนั้นไม่ต้องตายอย ses, ู่เหนือตัวเองอยู่เหนือจีเลศอยู่เหนือโลกอยู่เหนือจักรวาลไม่ต้องตายคนนั้นไม่ต้องตายอยู่เหนือจักรวาลทุกๆจักรวาลอยู่เหนือจักรวาลแล้วไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายเห็นไหมนี่เรียกว่าประโยชน์ของความว่างนี่มีมากมาย พระพุทธเจ้าออกมาเปิดเผยออกมาตีแผ่ให้เราได้ปฏิบัติกันว่าเราปฏิบัติแล้วต้องให้ถึงจุดนั้นพอเราถึงจุดนั้นแล้วมันมันสบายมันไม่ต้องเกิดมันไม่ต้องตายทีนี้ในชีวิตแต่ละวันมันเกิดดับเกิดดับเราไม่เรียกว่าตายก็ได้เรียกว่ามันเกิดดับเกิดดับทางตาก็เกิดดับทางหูก็เกิดดับทางจมูกก็เกิดดับทางลิ้นก็เกิดดับทางกายก็เกิดดับ ทางใจก็เกิดดับมันเกิดดับตามเหตุตามปัจจัยมันไม่อยู่ไม่สามารถที่จะดูเนื้อเหตุเนื้อปัจจัยนั้นได้เพราะว่าประสาทมันทํางานปลายประสาทมันทํางานประสาทลิ้นก็คือปลายประสาทสลิ้นมันทํางานที่ความว่างมันจัดสรรขึ้นมาหรือว่าในความมีมันจัดสรรขึ้นมาถ้าไม่มีลิ้นขึ้นมาถ้าไม่มีลิ้นขึ้นมาเราก็พูดไม่ได้ เราก็กินอาหารไม่มีรถไม่มีชาติไม่มีอะไรอนนี่มันมีดิ้นขึ้นมาเรียกว่าประสาททางผิวกายเราก็มีประสาทมีปลายประสาทตั่วไปมีประสาทตั่วทั้งตัวเนี่ยมันมีประสาททังนั้นทีนี้เราไม่ศึกษาเรื่องประสาทก็เลยไปเป็นธาตุประสาทพอเป็นธาตุประสาทก็กลายเป็นโรคประสาทเห็นไไปเป็นโรคประสาที่ย เป็นโรคอะไรต่ออะไรคือมันประสาททั้งนั้นเลยนี่ถ้าหากว่าเราไม่กล้าไปยึดถือประสาทเห็นว่านั่นคือปลายประสาทมันเกิดดับเกินดับเกินดับก็ไปที่คนีพูดอาจจะหยาบคายไปคนที่เสพกามที่เขาเสพกรรมามเพราะเขาเป็นธาตุประสาทนั่นคือจุดศูนย์กลางของประสาทเนี่ยมันทําให้ประสาททํางานรับรู้ทีนี้ธรรมชาติมันฉลาด เมื่อธรรมาชาติมันฉลาดมันก็ทําให้คนทําให้สัตว์นี่เป็นธาตุของประสาทและมีการเสพการการเสพกามเพื่ออะไรเพื่อที่จะทําให้เผ่าพันุ์ไม่หมดไปเผ่าพันุของสัตว์เผ่าพันุ์ของมนุษย์ไม่ให้มันหมดไปเมื่อให้หมดไปก็เพื่ออะไรเพื่อให้สัตว์นี่มันพัฒนาพัฒนามาเป็นคนให้สัตว์พัฒนามาเป็นคนแล้ว ค, คนเองไม่ใช่จะหมดขั้นตอน่อต้องพัฒนาเป็นมนุษย์ พอเป็นมนุษย์ขึ้นมาแล้วก็ต้องพัฒนาให้ถึงจิตว่างให้ถึงความว่างนั่นแหะมันจึงจะจบกันไม่อย่างนั้นไม่จบทีนี้มันต้องพัฒนาพัฒนาพัฒนาพัฒนาการปฏิบัติก็ต้องพัฒนาทางวัตถุก็ต้องพัฒนาต้องพัฒนาไปเรื่อยพัฒนาไปเรื่อยอะไรก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยมันต้องพัฒนากันไปพัฒนาจนข้าวที่เดิม ข้าที่เดิมคือความว่างพัฒนาข้าที่เดิมคือความว่างคือจุดว่างจากตัวตนพอถึงจุดว่างจากตัวตนแล้วก็สบายก็สบายแล้วจบแล้วเรื่องต่างๆจบจบกันที่ตรงนั้นนี่เรียกว่าต้องพัฒนาเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเราเป็นคนไม่ใช่เราเป็นมนุษย์เมื่อเราเป็นคนเราต้องพัฒนาให้เป็นคนเมื่อพัฒนาเป็นคนจากความเป็นคนให้เป็นมนุษย์ เมื่อก่อนเป็นสัตว์ที่มีความรู้สึกเซนเดียวขึ้นมาอย่างนี้มันพัฒนาเห็นไหมที่อยู่ในท้องในทไายที่อยู่ในมดลูกนะที่ไอ้สเปิร์มมือเข้าไปอยู่นั่นคือมันพัฒนามันพัฒนาในตัวนั้นเนี่ยมันจะพัฒนาพัฒนาพัฒนาพัฒนาทีนี้มันพัฒนาได้กี่ตัวนะเป็นร้อยเป็นพันเป็นล้านตัวพัฒนาได้ตัวเดียวตัวที่ชนะมันจะได้ตัวเดียว ทีนี้วางคนอาจจะว่าแต่คนที่ขวาแฝดมันสองตัวมันแข่งกันมันแข่งกันมันคือพัฒนามันพัฒนามาตั้งแต่อยู่ในท้องไม่เฉพาะแต่ของคนของสัตว์ก็เหมือนกันงั้นก็พัฒนามัพัฒนารูปร่างพัฒนารายต่ออะไรพัฒนาทุกวันทุกคืนทุกวันทุกคืนทุกวันทุกคืนมันพัฒนามัพัฒนาจนเหมือนแม่แบบของมัน พอเป็นแม่แบบของมันคล้าออกมาพอคลอดออกมามันต้องพัฒนาอีกต้องพัฒนาทั้งร่างกายแล้วต่อไปมันต้องพัฒนาอีกต้องพัฒนาจิตพัฒนาพัฒนาพัฒนาพัฒนาพัฒนาจากศีลธรรมไม่มีคุณธรรมจากคุณธรรมให้ถึงธรรมที่สูงสุดคือจิตว่างงี่มันต้องพัฒนาพัฒนาพัฒนากันอยู่อย่างนั้น ทีนี่คนที่ไม่พัฒนาก็อยู่กับที่พออยู่กับที่มันก็แค่นั้นเองมันก็แค่นั้นเองมันไม่พัฒนานี่ก็ไม่เดียกจี่ว่าไม่พัฒนาถ้าอย่างนั้นทีนี้ถ้าว่าพัฒนาจนอยู่ตัวไปถึงความว่างไปถึงจิตว่างพอ ถ, ถึงจิตว่างแล้วก็ไม่มีความทุกข์แล้วคนนั้นก็ไม่มีความทุกข์ก็ไม่เอาแรี่วความทุกข์ความทุกข์นั่นก็จะไปเอาไปไหนมันหนัก คือความยึดมั่นถือมั่นอุปาทานะมันหนักก็ไม่เอาแล้วก็ไม่ยึดถือเน่ที่ที่จะติดอยู่กับเนื้อกับตัวนี่ที่ตานี่ก็ติดอยู่กับหน้าผาหูก็อยู่ข้างข้างจมูกก็อยู่ด้านหน้าลิ้นก็อยู่ด้านในปากกายก็ทั่วไปใจก็คือความรู้สึกเพราะฉะนั้นก็จะไม่ยึดถืออะไรหมดเพระก็พัฒนา จิตที่เขาพัฒนาแล้วเนาะพัฒนาแล้วก็จะไม่กล้าไปยึดถือเลยไม่กล้าไปยึดถือร่างกายไม่กล้าไปยึดถือเนืวอยาวะทุกๆส่วนไม่กล้าไปยึดถือว่านมะันเป็นตัวกูไม่กล้าไปยึดถือว่ามันเป็นของกูไม่กล้าไปยึดถือเห็นเป็นสัตว์แต่ว่าธาตุว่างเห็นเป็นธาตุว่างทั้งนั้นเลยไม่เห็นว่ามันมีไม่เห็นว่าเป็นธาตุมีเห็นเป็นธาตุว่าง คือมันข้าวที่เดิมมันกลับข้าวที่เดิมทีนี่มีคนอย่างของศาสนาเซนน่ยมีคนไปเอาไม้ไผ่เอาไม้ไผ่แล้วออกมาทําเป็นกรวยออกมาทําเป็นกรวยที่นี่มาเป่าพอเ ป, าเป่าแล้วเสียงกรวยก็กลับไปหากอไผ่กลับไปหากอไผ่เั้ือนเดิมคือกอไผ่มันจะเสียดสีกันเมื่อลมพัดอะไรนี่มันก็มีเสียงออกมาก็เหมือนกับเสียงกรวยคือเสียงมันกลับไปสู่ธรรมชาติ เสียงเนี่ยมันก็กลับไปสู่ธรรมชาติจืมันว่างมันว่างอยู่เหมือนเดิมดังนั้นแม้แต่เสียงเพลงเสียงเพลงที่เราฟังถ้าเราฟังให้ดีมันก็จะว่างทั้งนั้นเป็นเสียงระฆังนี่ที่พระตีระฆังระฆังลูกไหนที่ตีแล้วเสียงไม่ว่างระฆังนั้นไม่ดีใจไม่ได้แยกว่าใจไม่ได้ เหล็กก็ไม่ดีอะไรก็ไม่ดีทองเหลืองก็ไม่ดีแต่ละขังรูปไหนที่ตีแล้วหมาหอนหมาหอนละขังนั่นดีเพราะว่ามันข้าวในหูของหมาเพราข้าวในหูของหมาทําให้กระดาษหูของหมามันกระตุกมันกระดิกขึ้นมาแต่ทำให้กันหูขึ้นมามันก็เคยเลยหอนทับหอนทับไม่ให้มันลาคาญขึ้นมา เหตุระคังนั้นก็ดังเสียงว่างฟังให้ดีเถอมันเสียงว่างว่างว่างว่างว่างตีครั้งหนึ่งมันก็จะว่างว่างว่างว่างว่างว่างอทีนี้เสียงว่างมันออกจากไหนเสียงมันมาจากไหนมันไม่มีตัวไม่มีพนไม่มีตนเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับ เพราะมันมีคนตีเพราะมันมีไม้ตีเพราะมันมีระฆังเพราะมันมีระฆังน่มันจึงมีคนตีขึ้นมาตีขึ้นมาเพราะเป็นสัญญาณในการที่จะไหว้พระจรวจมนต์จำกิจกรรมเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับ เพราะฉะนั้นมันกลับไปหน่อยเสียงระกังมันก็กลับไปสู่ความว่างตามเดิมเนี่ยมันดังว่าว่างตอนแรกๆนะเสียงที่มันดังมันดังว่าว่างแล้วก็ค่อยว่างเบาลงว่งว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างหายก็ไปในอากาศมันไปหน่อยมันหายก็ไปสู่ความว่างเสียงนั้นก็หายก็ไปสู่ความว่างหมด แต่มันเกิดขึ้นใหม่อีก่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้น นี่พอไม้ไปตบกับระกังั้นก็เกิดว่างขึ้นมาอีกว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างนั้นก็กลับไปสู่ที่เดิมอีกนี่มันเกิดดับว่างเกิดดับว่างเกิดดับว่างเห็นไหมแม้แต่เสียงระกำก็ทําให้เกิดดับว่างเกิดดับว่างเกิดดับว่างก่อนตีก็เกิดดับว่างไม้ที่ตีก็เกิดดับว่าง มือไม้ก็เกิดดับว่างรักกงก็เกิดดับว่างเสียงก็เกิดดับว่างนี่เกิดดับว่างเกิดดับว่างเกิดดับว่างนี่เมื่อเราภ า, าวนาสักแต่ว่าขาดว่างชื่อการภาวนานี this not s u นะการภาวนาธรรมาจะแนะนําให้สักอย่างหนึ่งถ้าเราภาวนาไปภาวนาไปภาวนาไปเกิดเด่นอะไรขึ้นมาเกิดมี ความคิดคือเทียบว่าไม่ใช่ความคิดมันเกิดขึ้นมาเองเมื่อเราภาวนาเพราะเราเกิดขึ้นมาเองเราก็จับเลยจับขึ้นมาภาวนาว่าเช่นว่าสิ่งตั้งพวงอย่างเนี้ยสิ่งตั้งพวงว่างสิ่งตั้งปวงว่างสิ่งตั้งพว ง, ง, ง, งว่างจากตัวตนพอมันเกิดอย่างนั้นขึ้นมาเราก็จับมาเลย จับมาจับมาแล้วเอามาภาวนาสิ่งตั้ง꾸วงว่างสิ่งตั้ง꾸องว่างสิ่งตั้ง꾸วงว่างสิ่งตั้ง꾸วงว่าเนีเราว่าอย่างนั้นเนี่ยสิ่งตั้ง꾸วงว่างสิ่งตั <GAN> <b tragic. S 1> ้ง꾸วงว่างหรือเราเห็นธาตุอย่างนี้เรากําลังศึกษาเรื่องธาตุนะศึกษาเรื่องธาตุเราศึกษาเรื่องธาตุว่าธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุจนไปถึงสุญญาตธาตุพอไปถึงสุญญาตธาตุคือธาตุว่างคือธาตุว่างมันก็จบกัน มันก็จบก็เป็นอนุตตทุกอย่างมันทะลุถูโปลงทะลุข้าวะกันหมดมันจะไปลงที่ว่างหมดจะไปลงที่ที่ว่างหมดจิตก็ไปลงที่ว่างกายก็ไปลงที่ว่างตาหูก็ไปลงที่ว่างจมูกลิ่นกายใจก็ไปลงที่ว่างวัตถุต่างๆก็ไปลงที่ว่างโลกนี้ทั้งโลกที่ใหญ่โตมโหฬารก็ไปลงไปอยู่ที่ว่างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ก็ลงไปอยู่ที่ว่างสรรพสินทั้ง หมดก็ลงไปอยู่ที่ว่างเพราะฉะนั้นธรรมะนี้แปลว่าสิ่งแปลว่าสิ่งแปลว่าสิ่งเช่นนั้นสิ่งจะเปยธรรมานาลังอภินิเวศายาสิ่งทั้งปวงอันไกลไกไม่ควรก้าไปยึดมั่นถือมั่นว่ามันเป็นตัวตนว่ามันเป็นของตนก็เพราะอะไรก้าไปยึดมั่นถือมันไม่ได้เพราะว่ามันว่างเพราะมันว่างจากตัวตนทุกอย่างมันว่างจากตัวตนเพราะฉะนั้นให้เราเข้าใจคำว่าว่างคำว่าว่างให้ดีๆ คำว่าว่างความรู้ส <t ark mesan> <For right> ึกไม่ใจกูน <t ark nel skipped> hey, <t ark ben posible> ั่นก็คือว่างนั่นเองความรู้สึกไม่ใจกูก็คือว่างนั่นเองแต่จะให้พูดเราว่างทีเดียวเอาไม่กล้าใจอีกให้ติดความรู้สึกให้กล้าใจความรู้สึกเสียก่อนว่าความรู้สึกไม่ใจกูความรู้สึกไม่ใจกูความรู้สึกไม่ใจกูว่าภาวนาไปภาวนาไปภาวนาไปอ้าวไอ้กูมันก็ไม่มีความรู้สึกมันก็ไม่มีมันว่างหมด ความรู้สึกมันว่างหมดพอเห็นความรู้สึกมันว่างหมดทํำยังไงอีกก็ภาวนาเหม่ออีกจับมาภาวนามือ์ามภาวนาเบย์ภาวนาเลยสักแต่ว่าว่างว่างว่างว่างว่าง่อดไปมันก็ว่างว่างว่างแล้วอรมันจะมีอ่ะความเกิดมันก็ว่างความแก่มันก็ว่างความเจ็บมันก็ว่างความตายมันก็ว่างแล้วมันมีอะไรมันจะมีแต่ความว่าง ฉันั้นเมื่อมีแต่ความว่างเราอยู่กับอะไรเราอย่างเป็นเป็นอยู่ในชีวิตของเราชีวิตประจําวันของเราเราเป็นๆอยู่อย่างนี้เราก็อยู่กับความว่างให้มีความรู้สึกว่าอยู่กับความว่างอยู่กับความว่างกินกับความว่างนอนกับความว่างทําอะไรกับความว่างนี่เรียกว่าอยู่กับความว่างให้อยู่กับความว่างนี่พูดเรื่องความว่างมปเกือบกลมงแล้วญาติโยมไปทําความเข้าใจปฏิบัติพัฒนาจิต ให้ถึงความว่างที่เราเรียกว่าจิตว่างจะนั้นว่างนล้ไม่ใจไม่มีอะไรว่างมันอยู่ในมีมีมันอยู่ในว่างต้องทําความกระจ่าต้องไปพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงฉะนั้นเวลาของการบรรยายก็เห็นว่าพอสมควรแล้วจึงก่อยุติการบรรยายอาไว้แต่เพียงแค่นี้ขอความสุขความเจริญในธรรมจงเกิดมีแก่ญาติโยมทุกๆุกท่กทกทกทานทูน